จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่1ประจำปีการศึกษา2562ในวันที่17มิถุนายน2562เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติและรับมอบนโยบายด้านต่างๆจากอธิการบาดีรองศาสตราจารย์สินสิริสงาจิตผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบาดีกล่าวว่าแนวทางการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้นอกห้องเรียนได้จากช่องทางออนไลน์ต่างๆดังนั้นจึงจําเป็นต้องปรับการสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทันตามยุคสมัยโดยคณาจารย์เป็นกลุ่มบุคลากรที่สําคัญและมีบทบาทในการสอนโดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทเรียนที่นําไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่จบออกไปแล้วสามารถทํางานได้จริง โดยมทรล้านนาจะจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่คณาจารย์คณะต่างๆรวมถึงมทรล้านนาทั้ง6กเขตพื้นที่เพื่อให้คณาจารย์ได้ปรับปรุงทิศทางการสอนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภริติีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานอธิบดีกรมสรรพากรเผยเก็บภาษี8เดือนแตะ 1.22 ล้านล้านบาทเกินเป้า 3.8 หมื่นล้านบาทหลังปรับระบบไม่ขึ้นแวด นายเอกนิตินิติธรรมประพาตอธิบดีกรมสรรพากรได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสรรพากรจากทั่วประเทศกลางปีงบประมาณ 2,562 พร้อมเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,561 ถึงเดือนพฤษภาคมปี 2,562 ที่ผ่านมาทางกรมสามารถจัดเก็บภาษีได้ 1.22 ล้านล้านบาทเกินเป้า 38,000 ล้านบาทถือเป็นการเกินเป้าครั้งแรกในรอบ10ปีเป็นผลมาจากการจัดเก็บภาษีปิโตเรเลียมการเคลียร์ประเด็นข้อกฎหมายต่างๆการปรับเปลี่ยนกระบวนการดิจิทัล การจัดเก็บข้อมูลทําให้การจัดเก็บรายได้ได้สูงขึ้นขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดนั้นยังไม่มีแนวคิดที่จะปรับอัตราขึ้นหรือลงจากปัจจุบันที่จัดเก็บอยู่ที่ร้อยละเ็เนื่องจากเศรษฐกิจในขณะนี้อยู่ในภาวะขยายตัวชะลอลงหากมีการปรับลดลงร้อยละหนึ่งจะทําให้รัฐ ส, สูญเสียรายได้กว่า 70,000 ล้านบาทซึ่งอาจทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีรับข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้า